การที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เลิศเพราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถปฏิบัติได้เท่ากับมนุษย์นะนอกจากได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีพระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าได้ทรง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 สำเร็จดุเรื่องได้ผลอันเลิศอันประเสริฐกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมากันอย่างต่อเนื่องพวกเราก็เป็นเหมือนกับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายคือในเบื้องต้นก็เป็นผู้ที่ยังมีกิเลสมีความมืดบอ่อยมีความหลงแต่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอน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 การเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นการศึกษาเพียงอย่างเดียวการได้ยินได้ฟังทรรมเพียงอย่างเดียวจึงไม่พอเพียงต่อการที่จะนำพาจิตใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm hmm. เมื่อได้ศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติควบคู่กันไปเพราะว่าเราจะไม่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 มีเงินทองใช้ซื้อความสุขต่างๆต่อไปก็จะเป็นการผูกมัดให้เราต้องอติดอยู่กับวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดวงกาวงจรของการาหาความสุขตามความอยากของกิเลสตัณหาเราจึงควรเอาเงินทองที่เราจะซื้อสิ่งต่างๆ ซื้อความสุขต่างๆนี้เอามาบริจาคแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเพราะจะทำให้เร า, เาลดความวิโโยลดความอยากแล้วจะทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองมาใช้ตามความโลภตามความอยาก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 เราก็จะไม่สามารถที่จะมีเวลามาภาวนามารักษาสลแปัได้อย่างมากเราก็อาจจะทําทานบ้างเป็นบางเวลาบางเวลาพอหอมปากหอมคอแล้วก็รักษาสีญบ้างตามโอกาสรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ไม่รักษาเพราะความสำคัญของเราไม่ได้อยู่ที่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 เราต้องเอาเงินนี้มาให้ผู้อื่นเพื่อจะได้เป็นการตัดทางเดินของกิเลสตันหาเพราะเมื่อเราไม่มีเงินที่ เ, ทเกินความจําเป็น เ, เงินที่จําเป็นเราก็ต้องมีไว้เช่นเงินที่จะต้องใช้ในการดูแลอัถภาพร่างกายของเรา ถ้าเราไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวเราก็จะได้ไม่ต้องไปเที่ยวเมื่อเราไม่ไปเที่ยวเราก็จะได้มีเวลาไปปีกวิเวกไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาเพื่อจะได้รักษาศีลแปดและภาวนาได้ mm. การทำทานเป้าหมายจึงอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่เพื่อให้เราเลิกการหาความสุข จากการใช้เงินใช้ทองเลิกการหาเงินหาทองมาเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆเมื่อเราไม่ต้องหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลาว่างพอถ้าเราทำงานเราก็อาจจะทำงานไม่มากแทนที่จะต้องทำเจ็ดวันเจ็ดคืนเราก็อาจจะทำเพียงวันสองวันพอให้ได้อ่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 สามารถที่จะรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดขึ้นไปตามลําดับได้เรารักษาศีลแปดได้เราก็จะภาวนาได้เพราะว่าเราได้ตัดอุปสรรคของการภาวนาคือการมะชฉันทะไปการมะชฉันทะนี้ก็คือการอยากหาความสุขห่างตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะ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 เกิดความเกียดค้านอยากจะนอนต่อเพราะยังติดกับความสุขความสบายที่ได้นอนบนฟูกหนาะๆนะเราจึงต้องไม่นอนบนฟูกหนาะๆนะให้นอนบนพื้นแข็งๆเพราะว่ามันจะไม่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนเตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาเดินจงกลมมาภาวนาต่อได้ จะ ไ, ได้ไม่เสียเวลาเพราะถ้านอนบนทูกข์หนาๆนี้หลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วก็จะนอนต่ออีกสามหรือสี่ชั่วโมงก็จะเสียเวลาที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติ<อ><อ>ต่อการหลุดพ้นต่อการบรรลุ ม, มากผลมิพานนี่คือเป็นการสร้างเวลาให้กับการปฏิบัติ ไม่เอาเวลาไปหาความสุขกับการร่วมหลับนอนผู้อื่นไม่เอาเวลาไปรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเคสนอกจากเสียเวลาในการรับประทานแล้วยังทำให้เกิดนิวรนคือความง่วงเหงาเหาานอนความเกียดค้าน้ารรับประทานอาหารมากเกินไปแล้วก็จะไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะหลับอยากจะนอน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 ไม่จำเป็นที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเราจะได้มีเวลาเพิ่มมาเพิ่มมาใช้ในการปฏิบัติถ้าเราถือสิ่งแปด้านี้เราจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างมากเช่นวันหนึ่งเราก็นอนเพียงห้าชั่วโมงสี่ห้าหรือหกชั่วโมงตอนเคยก็อาจจะนอนสักห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงตอนกลางวันก็อาจจะพักสักหนึ่งชั่วโมง เช่นตอนกลางวันหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วก็จะไม่สะดวกต่อการเดินโยกรมนั่งสมาธิก็พักสักหนึ่งชั่วโมงแต่พอได้พักแล้วทีนี้ตื่นขึ้นมาก็จะมีเวลาว่างสามารถปฏิบัติตั้งแต่บ่ายไปจนถึงถึงเวลาหลับนอนสามทุ่มสี่ทุ่มได้ก็ได้ถึงแดชั่วโมงอย่างต่อเนื่องแลวพอพักพอน สี่ห้าชั่วโงเงติดมาประมาณตีสามตีสองตีสองตีสามก็ภาวนาต่อไปจนถึงสว่างพอถึงสว่างถ้าต้องทำมีหน้าที่ทำหาหาจัดหาอาหารมารับประทานก็ทำไปแล้วยิ่งถ้ารับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวได้ก็ยิ่งจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นอีกเช่นตอนเช้าเราเต็มอาหาร รับประทานอาหารภายในเจ็ดโมงแปดโมงนี่เราก็จะเสร็จแล้วกับเรื่องรับประทานอาหารเราก็จะมีเวลาว่างหลังจากแปดโมงไปก็สามารถภาวนาไปได้และถ้าว่าภาวนาแล้วเกิดอาการง่วงเหงาๆนอนก็อาจจะพักสักชั่วโมงหนึ่งพักช่วงกัาวันสักชั่วโมง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 ให้ระงับความคิดปุนแต่งต่างๆพอไม่มีความคิดปุนแต่งเวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสู่ความสง บ, บได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วดังนั้นในเบื้องต้นถ้ายังไม่มีสติยังนั่งสมาธิแล้วไม่สง บ, บก็ต้องเจริญสติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลั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 ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆนอกเหนือจากเรื่องที่เราต้องคิดเกี่ยวกับงานที่เรากำลังทำอยู่เท่านั้นเราจะใช้การบริกรรมพุโทโธควบคู่ไปกับการทํางานของเราก็ได้หรือเราจะใช้สติเฝ้าดูร่างกายดูการกระทําของร่างกายในทุกิริยาบุในทุกการเคลื่อนไหวอันนี้เดิงใจไว้ให้เฝ้าอยู่อยู่กับร่างกาย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 ไปนั่นมานี่ได้เวลามีสติแล้วเราก็สามารถดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันได้ดึงจิตให้หยุดจากการคิดปุงแต่งได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อันนี้คือการปฏิบัติเบื้องต้นคือการจเจริญสติและสมาธิเราต้องพยายามทำให้มากจนกว่าเราจะ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 แล้วถ้ามีสติมากก็จะสงบได้นานขึ้นไปตามลาดับด้วยใหม่ๆก็จะเข้ายากแล้วสงบก็สงบได้เดี๋ยวเดียวแล้วก็จะถอนออกมาแต่ถ้าเราจะเรีนสติต่อไปเช่นออกเวลาถอนออกมาแล้วเราก็จะเรนสติต่อไปบริกรรพุทโธต่อไปถ้าดูลมหายใจก็ดูลมต่อไปถ้านั่งไม่ได้ลุกขึ้นมา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 ให้เป็นไปตามอัธยาศัยไม่นานก็จะคิดปูแต่งเรื่องนั้นเรื่อ ง, งนี้ได้ดัง น, นั้นผู้ที่ออกจากสมาธิแล้วถ้าต้องการจะเจริญสติต่อก็ต้องก็ต้องบริกรรมพุทโธต่อหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปแต่ถ้าต้องการจะพิจารณาทางปัญญา <c oughs> ก็พิจารณาก็เจริญปัญญาไนดะ้ด้วยการพิจารณาปล่อยรักคืออนิจจทุกขังอนัตตา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 นี่คือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาลักษณะนี้ก็เป็นการเจริญแบบทําการบ้านคือในขณะที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบยังอยู่กับเราอยู่แต่เราทําการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนเผื่อถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็เหมือนกับเราต้องเข้าห้องสอบ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 หรืออย่างน้อยเราก็ต้องทุกขรมานใจในช่วงที่ร่างกายใกล้จะตายถ้าเราไม่ได้ทําการบ้านเอาไว้ลุงหน้าก่อนแต่ถ้าเราทําการหน้าบ้านลุงหน้าไว้ก่อนเราก็จะทําใจให้สง บ, บได้ทําใจให้ปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะตายอย่างสง บ, บไปอย่างสง บ, บไปอย่างสบายนี่คือปัญญา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 สั่งให้เขาพูดแต่ดีๆกับเราได้อยู่ไหมถ้าเราสั่งเขาไม่ได้เราก็ต้องทำใจว่าถ้าเราไปอยากให้เขาพูดดีกับเราแต่เขาไม่พูดดีกับเราเราก็จะทุกทรมานใจเพราะความอยากของเราเองแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เราอยากจะดุอยากจะดา่าเราอยากจะโกรธอยากจะเกลียดเราก็าต้องปล่อยให้เขาโกรธให้เขาเกลียดเราไป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 พอหยุดความอยากได้ก็จะหยุดความทุกข์ใจได้อันนี้เวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปัจจุบันทันเดือดก็ต้องใช้ปัญญาใช้ตายรักเหมือนกันหรือกเกิดเหตุการณ์สูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรือคนที่เรารักไปทำให้จิตใจเราไม่สงบทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านทำให้จิตใจเราทุกข์ทรมาน์เราก็ต้องพิจารณาตายักเช่นเดียวพิจารณาว่า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 มันอื่นแรงมันครอบงำ จ, จิตใจชั่ววูบ ก, ก็เรียกว่าชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบแม้แต่พ่อแม่ยังฆ่าได้เวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิถึงแม้จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ยังมีแรงต้านมีสมาธิมีอุเบกขาที่พอจะต้านพอที่จะให้มีเวลาใช้ปัญญา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 โกรธก็เลยทําให้ต้องไปทําบาปทํากรรมถ้าดำต้นเหตุคือความอยากหรือความโกรธภายในใจได้ด้วยการให้อภยัยด้วยการเปลี่ยนใจว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแารนี้ก็จบไม่อยากได้ก็ได้อยากได้ตอนต้นแต่ถ้าไม่ถ้าต้องไปฆ่าเขานี่ไม่เอาดีกว่าเขาเปลี่ยนใจได้เขาเปลี่ยนใจได้ก็ไม่ต้องไปทําบาปทํากรรม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 พิจารณากับเหตุการณ์ที่เราจะต้องเผชิญที่เราไม่ปรารถนาเช่นพบกับสิ่งที่ความเสื่อมทางโลกกรรมเช่ น, นเสื่อมเสื่อมลาบเสื่อมยศพบกับนินทาพบกับความทุกข์ต่างๆใจจะได้ปล่ อ, อยวางและผ่านไปได้ปล่อยวางความอยากที่จะรักษาไม่ให้ลาบยศเสื่อม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 สิ่งของภิกษุนีถึงแม้ไม่มีภิกษุณีถ้าเราอยากจะรักษาสิ่ของภิกษุนีเราก็รักษาได้ไม่มีใครห้ามอยากจะเป็นภิกษุนีก็เป็นได้ไม่ต้องบวชรักษาศิ่งของภิกษุนีก็เป็นภิกษุนีแล้วก็ไปศึกษาดูเสดในพระไตรปิฎกก็มีเขียนไว้ว่าศิ่ของภิกษุนีมีกี่ข้อก็ลองรักษาดูว่าจรักษาได้หรือเปล่าไม่ต้องมาวยวายมาวุ่นวายเดิน เดินประทวงเรียกร้องขอให้อนุญาตให้บวชเป็นภิกษุณีพระพุทธเจ้าไม่ห้ามถ้าจะบวชทางใจนี่บวชได้ตลอดเวลาวันนี้ก็บวชได้เราก็เพียงแต่กรโหราแล้วก็แทนที่จะนุ่งสีขะสีกักแล้วก็นุ่งสีขาวไปเท่านั้นเองแล้วเราก็รักษาศีลสามร้ยสามสิบกี่ข้อนี้ไปไปศึกษาดูในพระไตรปิฎกการักษาศีลไม่มากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเรามีสติกำลังสติ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 บอกว่าไปหาหมอมาหมอว่าจะเหลือเวลาไม่นานจะต้องตายแล้วอันนี้เป็นข้อสอบที่เราเลือกไม่ได้แต่เราก็ต้องทับการบ้านเตรียมไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนข้อสอบนี้เมื่อไหร่เหมือนกับไปโรงเรียนสมัยก่อนนี่มีบางวันครูก็จะครูก็จะให้สอบทันทีโดยไม่บอกล่วงหน้าก่อนเพื่อจะได้กระตุ้นให้เราเตรียมตัวทาการบ้านไว้ล่วงหน้าก่อน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 เราลูกเดี๋ยวเขาก็มาตามมาอีกอยู่ดีเราลูกก็เดี๋ยวเราไปนั่งที่ไหนเดี๋ยวก็เจ็บขึ้นมาอีกดีถ้าเราไม่เจ็บจากการนั่งมันก็อาจจะเจ็บจากการเจ็บไา้ได้ป่วยเจ็บจากการประสบกับอุบัติเหตุมันก็ต้องเจ็บอยู่ดีงั้นเราหันมาทำใจอยู่กับความเจ็บดีกว่ารับความเจ็บให้ได้ไม่ต้องไปกลัวความเจ็บอย่าประยากให้ความเจ็บหายไปเพราะเราสั่งเขาไม่ได้ ถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปได้แล้ว อ, อยากจะหนีจากความเจ็บไปเพราะเรารู้ว่าหนีไม่ได้เขาเป็นเหมือนเงาตามตัวเราลุกขึ้นมาเดี๋ยวเราไปเดินมันก็เจ็บอีกแล้วเมื่อยแล้วกลับมานั่งใหม่มันก็เจ็บอีกแล้ ว, ลวถ้าเราอยากจะผ่านเอข้อสอบนี้เราก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บแล้วก็ปล่อยให้มันหายไปเองพอมันหายไปเองแล้วทีนี้เราจะมีความ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 ผู้ที่สามารถกำจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจด้วยการถอดถอนความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วก็ไม่มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติอีกต่อไปก็มีแต่จะรับผลอ น, อนิสงจากการปฏิบัติก็คือปรมังสุขขังได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่คือบามังสุไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแ้แต่ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้า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 เมื่อในสิ่งที่ไม่มีรูปไม่มีร่างมันจะหายไปไหนได้อย่างไงเนี่ยไม่ต้องไปกลัวใจไม่มีวันหายเราไม่มีวันหายสิ่งที่จะหายก็คือประมังทุกขังท่งนั้นเองคือความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ได้สะสมมาเป็นกับเป็นการนี้ก็จะหายไปหมดเหลือแต่ประมังสุขขังดังนั้น หน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติต้องทำแบบต่อเนื่องทำแบบเอาจริงเอาจังอย่าทำแบบมือสมัครเล่นเอาแต่เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการวันอื่นก็ขอไปเวียนไหวยตายเกิดต่อถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนไหว้ตายเกิดได้เอาละนะขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อน เป็นไงเปิดถรมนี่มีใครตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้บ้างก็บเปล่าหรือเหมือนเดิมไปเรื่อยๆสบายๆายขออยู่ขอเรียนต่ออีกแปดปีหรือว่ารอบนี้ต้องให้ต้องให้ได้อะไรสักเลาะสักอย่างหนึ่งนะภายในแปดปีนี้อปดปีแรกไม่ได้ละก็แปดปีสองนี่ก็ขอให้ได้อะไรบ้างก็ยังดี ไม่เบื่อกับความทุกข์บ้างหรือถ้าเบื่อความทุกข์ก็ต้องเบื่อกับความอยากอย่าไปอยากเพราะต้นเหนตุของความทุกข์ก็คือความอยากมีใครอยากจะถามปัญหาอะไรไหม มีปัญหา Facebook เดี๋ยวจะถามหรือเปล่าข้ามาเลยมันตรงนี ah, ้ก็ได้เสียงมันจะได้เข้าได้ไม่ต้องเกรงใจแล้วอ๋อครับคำถาม Facebook นะครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง a c e b o o k และแฟนเกจพระอาจารย์สุชาติอาทิชาโตนะครับคำถามจากคุณหญิงนะครับ เคยได้ฟังคำกล่าวจากท่านหนึ่งว่ามีสิ่งที่เหนือนิษพานไม่เข้าใจว่าสิ่ง น, นั้นมีหรือไม่และหมายถึงอย่างไรครับก็เพิ่งได้ยินวันนี้แหละก็ก็ถามคนที่เขาพูดเลยว่ามันคืออะไรครับอคำถามของคุณ เบนเกินนะครับดิฉันมากาบพาจารย์สุชาติเมื่อเดือนที่แล้วและดิฉันก็ได้เรียนถามท่านว่าบางครั้งนอนอยู่และภาวนาพุทโธไปด้วยมีความรู้สึกเหมือนจะตายอึดอัดจึงตกใจลุกขึ้นท่านก็แนะนำว่าก็ให้ตายไปแต่ไม่ตายหรอกดิฉันจึงมีคำถามอีกว่าดิฉันอยู่บ้านพอตื่นจิตก็จับพุทโธ ท, ทันทีลุกขึ้นมานั่งสมาธิ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 ไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้ไปฉลองรับประทานตามร้านตามโรงแรมต่างๆอันนี้เป็นการให้กิเลสตัณหาความอยากมันก็เลยไม่ได้ตัดกิเลสตัณหากลับไปเสริมสร้างกิเลสตัณหาให้มันมีมากขึ้นดังนั้นครั้งต่อไปถ้าจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาไปทำบุญอยากจะได้ลุยวิตตองใบใหม่ก็ ไปเอาไปทําบุญหรือซื้อหรือวิตรงมาแล้วก็เอาไปให้เขาอยากเก็บเอาไว้ใช้เองออย่างนี้ก็ได้ถ้าชอบอลารอยากได้อะไรก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปแจกคนอื่นอย่างนี้เป็นการเป็นการตัดความโลภความความความอยากต่างๆให้เราบางลงไปะ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 แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ถอนให้เราไม่ได้นังที่ทรงตรัสว่าถึงแม้เธอจะเกาะชายผ้าเหลืองแต่ถ้าเธอไม่ปฏิบัติการเกาะชายผ้าเหลืองของเธอก็ไม่เป็นประโยชน์อันใดถึงแม้เธอไม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชอย่างพวกเราอยู่ห่างไกลจากพระบรมศาสดาเป็นพันเป็นสองพันกว่าปีแต่ถ้ามีการปฏิบัติถอนถอนกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยๆ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 ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ไปโทษคนอื่นเราจะไม่มารอพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปได้เกาะชายผ้าเหลืองชายผ้าเหลืองของะผ้าสีอานก็ไม่เกิปดประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ปฏิบัติถอดถอนกิเลสตัณหาที่ฝังอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปหน้าที่ของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ก็มี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 ทำทานรักษาศีลและภาวนาถ้าทําทานรักษาศีลภาวนาไปเต็มที่แล้วเต็มรอยได้รับรองได้ว่าการถอดถอนกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจนี้ก็จะทำได้สาเร็จทำได้หมดสิ้นไปแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือหน้าที่ของพวกเรา ขอให้พวกเราเตือนใจของเราอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาเพื่อมาถอดถอนกิเลสปัญหาไม่ใช่มาเสริมสร้างกิเลสปัญหาให้มีมากขึ้นด้วยการทำตามความโลภทำตามความอยากต่างๆก็ขอฝากขอคิดคาตอบของปัญหาให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปเพลิดเพลิน า, าและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไป ต่อไปนี้ก็จะอนุโมทนาให้พร <c oughs> ยาถาวารุวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการ ป, ะปะติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปายันโทปนะระสุยาธา มณิโชติระโยทาสัภีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวทานสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวโนโอสุขัง จะว่าไงต่อไม่มีคำสอนของพุทธเจ้าองค์ไหนที่จะยากง่ายกว่ากันคำสอนของพุทธเจ้านี้ง่ายที่สุดแล้วตรงที่สุดแล้วที่จะยากจะง่ายก็อยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติ ถ้าผู้ปฏิบัติได้ชำระกิเลสตัณหามามากแล้วการปฏิบัติก็จะง่ายเพราะสิ่งที่จะต่อต้านการปฏิบัติการที่จะทำให้การปฏิบัติยากหรือง่ายก็อยู่ที่กิเลสตัณหานี้เองเหมือนกับต่อสู้กับข้าศึกถ้าข้าศึกมากมันก็ยากถ้าข้าศึกน้อยมันก็ง่ายฉะนั้นเราต้องรีบกาจัดข้าศึกไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ เอาทีละตัวสองตัวก็ได้วันละตัวก็ยังดีละครวันละเรื่องก็ยังดีขนมวันละชิ้นก็ยังดีเคยกินสองชิ้นก็เอาแค่ชิ้นเดียวเคยกินอะไรก็ลดมันลงไปหน่อยเออมันทําได้ของพวก น, นี้จะทําให้มันง่ายทําได้ไม่ยอมทํามันก็เลยยาก พอละมัวแต่สร้างกำลังของข้าวเสึกให้มีเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะกินสองชิ้นวันนี้ขอสามขอสี่ อ, อต้องค่อยๆลดลงไปถ้าเราไม่สามารถที่จะลดได้อย่าบบปควบภาพเ <c oughs> พราะมันยากก็เอาแบบง่ายๆลดทีละเรื่องสองเรื่องไปลดทีละอย่างสองอย่างกําจัดศัตรูทีละตัวสองตัว อย่าไปเอาทีเป็นฝูเราไม่มีปืนกลปัญญาเรายังไม่ระดับปืนกลปัญญาเรายังระดับปืนปืนปืนแก๊บอยู่นั่นก็ต้องทำสองอย่างก็คือหนึ่งสร้างปัญญาสร้างอาวุธให้มันทันสมัยขึ้นอย่างหลวงตาบอกพอบันเทิงขั้น สติปัญญาอัตโนมัติแล้วอันนี้แหละมันแบบปืนกลน่ะแหละมันจะไหลออกมาแบบไม่ทั้งไม่ังม้งไม่ต้องไปล้านไกลเลยเพียงแต่ไปแตะว่ามันรูที่ออกมาเลยน ะ, น ะ, นะต้อพัฒนาสติปัญญาแล้วก็ต้องคอยกําจัดศัตรูเทีเยแเลกเทียวน้ะไปตามกําลังของเราก่อ น, น, ะนะต้องทำสองอย่างต้องละในสิ่งที่ควรลนะ และทำในสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรทำก็คือทานศีลภาวนาสิ่งที่ควรละก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเนี่ยถ้าเราถือศีลแปดเนี่ยเราก็ละได้เยอะถือศีลห้าเราก็ได้เยอะละได้มากกว่าคนที่ไม่ถือศีลห้าละทำทานเราก็ละกินเหล็ดได้เยอะแทนที่จะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่แล้วก็เอาไปทาทาน ที่เราจะไปเที่ยวเราก็เอาไปทาทานเนียต้องทาอย่างนี้ตัง้ตงามันก็ง่ายเราอย่าไปทําให้มันยากเราบอกโอ้ทำทีเดียวให้มันจบเลยมันเป็นไปไม่ได้มันก็ยากต้องทำทีละ เ, เล็กเทียนะ้อยไปสะสมไปเรื่อยๆมีกำลังใจแต่ไม่มีกำลังทํา <laughs> กลับไปก็เหมือนเดิมพวกหัวราอนนี้แสดงมาพวกเดียวกัน นิดนึงคือคือแปดปี <c oughs> รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เลยแต่ว่ามีอยู่ครั้งที่ผ่านมาตอสาอาทิตย์ขึ้นเครื่องบินแล้วก็มันก็ตกเหมือนกับกระแทกลู ก, ก็ทีแรกก็รู้สึกตกใจก็เขารู้สึกว่าเออมองเห็นว่าเออมันตกใจแล้วก็จิตก็ลูกมาถึงอาจารย์แล้วก็ คือไม่ได้รู้ว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดต้องที่ต้องขอท่านอาจารย์ช่วยแต่ว่าจีบเงินไปแล้วก็มีแล้วก็ฟุตโทรต่อแล้วก็แต่เราก็นึกว่าเออไอ้นี้ที่ท่านอาจารถอนที่หมายว่าเขึ้นเครื่องเรถ้าเกิดว่าเกิดว่ามีอะไรก็ให้สมมติว่าเครื่องมันจะตกให้ให้ใช้เป็นบททดสอบลูกก็ทดสอบไปว่าเออถ้าเกิดว่ามันจะตกจะตกใจขนาดไหนอะไรก็ก็ได้หน้าภาวนาทุจรนาอยู่ทับใหญ่แล้วก็รู้สึกว่า ที่ที่เหมือนจะว่าเราไม่ได้อะไรดริๆแล้วการที่นั่งนั่งสมาธิมาเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เวลาที่เกิดเหตุอะไรใช่ที่เราจมูกแต่กอกใจเจ็บมันยังพอจะไปไปในในพุทโธยังยังไปในที่ที่มันถูกป้องได้เร็วกว่าที่โลกถูกป้องกนสุดวาย อจะเลียกช่วยก็ไปผิดทางวะเลือัตตาเหี่ยตโนนา่าออตอนที่เป็นที่พึชของตอนตอนนั้นต้องใช้พุทโทละเอใช้การปรล้วว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเอร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายาอออตตต่รู้้วาามมันจะงกก ก็ดีมันจะได้เป็นการตื่นสติเราหรื อ, อทดสอบสมรรถภาพของเราทดสอบการปฏิบัติของเราว่าเราไปถึงไหนแล้วเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้พยายามปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นเราต้องอยู่ทั้งขีดที่ว่าเฉยๆได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจก็เฉยๆพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตา เราไปห้ามมันไม่ได้เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือความตกใจความหวาดกลัวความทุกข์ต่างๆด้วยการหยุดความอยากต่างๆหยุดความกลัวด้วยการยอมรับความจริงอะไรจะเกิดก็เกิดก็ดีถ้ามันไม่มีเหตุการณ์มามันก็จะไม่รู้ว่าเราไปถึงไหนแล้ว ถ้าเกิดเกิดเหตุการ์แล้วเราผ่านไปได้อย่างสบายนี้เราก็จะมีความปลื้ม อ, อกปลื้มใจมีความสุขใจอยู่อย่างสบายไม่มีความหวาดกลัวกับความตายต่อไปพนเราต้องเผชิญกับความตายแล้วถ้าผ่านไปได้แล้วทีนี้ก็จะสบายจะไม่เดือดร้อนเพรารู้ว่าความตายไม่ได้เป็นปัญหาปัญหาคือความกลัวความทุกข์ความอยากไม่ตาย พอเราหยุดความอยากไม่ตายได้ความกลัวก็หายไปความทุกข์ก็หายไปความตายก็ยังมีอยู่มอนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะตายแบบไม่ไม่ทุกข์ไม่กลัวแล้วอยู่ก็อยู่แบบไม่ทุกข์ไม่กลัวอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการความตายนี้เราไปห้ามไม่ได้จะตายวันนี้หรือตายพรุ่งนี้มันเราไปกำหนดไม่ได้ แต่สิ่งที่เรากำหนดได้ก็คือความกลัวความทุกข์เรากำหนดให้มันหายไปได้กำจัดมันได้ด้วยการหยุดความอยากอยากไม่ตายคิดไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆเกิดมาแล้วต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่เราสิ่งที่จะตายไม่ใช่เราเหมือนกระเป๋าที่เราถืออยู่นี่มันจะพังก็ปล่อยมันพังไปเราไม่ได้เป็นกระเป๋าเราไปกลัวทาไม ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้คิดเท่นั้นเองที่เราไปหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราพอร่างกายเป็นอะไรเราก็คิดว่าเราเป็นอะไรไปกับร่างกายพอเรามาแก้ความหลงผิดนี้ได้แล้วมันก็หายกลัวหายทุกข์ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆร้อนใจอยู่เรื่อยๆ ก็เนี่ยก็ต้องเข้าไปหาความตายกลัวที่ไหนก็ไปที่นั่นแต่อยากได้มันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่เรากลัวนั่นแหละขั้นต่างๆมันอยู่ที่เรากลัวอยู่ที่เรารักไข่กลัวความตายก็เดินไปหาความตายกลัวความเจ็บก็นั่งให้มันเจ็บจนกระทั่งใจมันเฉยกับความเจ็บ เฉยเมยกับความเจ็บ่าใช่ใช่ <c oughs> พอเราเจอมันแล้วก็เดินหนีมันก็ไม่ได้ขั้นรอเราอยู่แล้วแต่เราไม่เดินเข้าไปหามันเองัางมันรออยู่แล้วแล้วความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นขั้นรางวัลของเราถ้าเราอยากจะรับรางวันเราก็ต้องเข้าหาความเจ็บหาความตายออก่อนหน้านั้นก็ผ่านเรื่อง การพัดพาจากสมบัติเข้าของเงินทองจากทีวีจากละครออทุกอย่างไปหมดอยู่แบบนักบวชอยู่แบบนักบวชถึงแม้ไม่บวชก็อยู่แบบนักบวชของในบ้านนี้ขนออกไปให้หมดเลยให้เหมือนเป็นกุติวัดเล ย, ยไม่มีอะไรมีแต่ที่นอนอย่างเดียวสำหรับนอนห้องน้ำไม่สำหรับชำระร่างกายเป็นที่ภาวนาอย่างเดียวนั่นแหละขั้นแรกต้องผ่านขั้นนั้นไปก่อน ต้องสะละความสุขภายนอกให้หมดไม่สแสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสปุพะจะเอาความสุขที่เกิดจากการภาวนาที่เกิดจากการรักษาสี น, นี่คือขั้นแรกพอได้แล้วขั้นที่สองมันก็จะตามมาขั้นที่สามก็จะตามมาตามลาดับไปแลั้นอย่ามองข้ามขัข้นจะมองไปถึงขั้นนู้นแต่ขั้นแรกยังไม่ยอม จะไปมองขั้นที่สามขั้นที่สี่น ะ, ะ, ะก็ลองลองลองสละแบบสมมติก่อนคือขนของต่างๆเอาไปเก็บไวอ้อีกห้องหนึ่งก่อนอีกที่หนึ่งก่อนทีวีก็ถอดปลั๊กมันไว้ก่อน <S 2> <S 2> <S 2> <S 2> ตู<ง> <en> ต้เย็นก็ถอดปลั๊กมันไว้ก่อนของทุกอย่างก็ถอดมันอแอร์เออก็ถอดมันไปหมดเลย อ, อยู่เหมือนกันเราอยู่วัดเฟช ดูซิว่าจะสู้กับกิเลสตัณหาที่จะพยายามไปเสียบปักได้ไหรือเปล่าเออใช่ถ้าถอนได้ก็ถ้าถ้าถอดได้จริงๆก็ยกของออกนอกบ้านไปได้ไอาทิตะวันก็ยังดีเช่นวันวันวันพระนี่ก็ถือศีลแต่สักวันปิดทีวีปิดตู้เย็นปิดอะไรต่างๆปิดองค์ปิดแอ ทีละวันก่อนก็ได้ไม่ถ้าทำวันหนึ่งได้มันก็จะมีกำลังใจเอาวันนี้เราทำได้พรุ่งนี้เราก็ต้องทำได้มันก็จะทำได้มเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะทำได้มากกว่าทำไม่ได้ทำตอนนี้มันทาทาไม่ได้ทำมากกว่าได้ทำต่อไปจะพลิกว่าเราจะได้ทำมากขึ้นอาจจะมีเผลอบ้างอาจจะแพ้บ้างบางวัน เพราะละครตอนนี้มันดีแล้วเกินขอดูตอนนี้ตอนเดียววันนี้วันเดียวนะต้องทำนะเนี่ยของเรานี่เป็นการรับรางวัลทั้งนั้นเนี่ยขั้นต่างๆเนี่ย เอาแล้วเนี่ะอแล้วเนี่ยใช